ไปจะไปพักก็ไปให้เยอคนเดียวให้เยอคนเดียวพุะโตเถโมสังโฆพระโธเถโมสังโฆพุทธโตเโมสังโฆไปเถโมสังโฆเอาแขวนไว้ในใจลำบสบายดีมันไม่ลืมเอาแขวนไว้ที่นอกมันลืมแล้วลึกได้ไม่ลึกได้ก็ดี พร้อมเอากายถวายชีวิตและ จ, จิตใจต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณตามเท่าเข้าสู่พระนิพพานพ้นทุกนวัิตตสงสารโดยด่วนเลือกได้ไม่เลือกได้ก็ดีจะขอทุกคนถวายสกลละกายวาจาใจเป็นข้าเป็นทาสของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คอ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขี้รถเยี่ยวรถเยียบย่ำถมน้ําลายคายคลา ย, ายน้มูกใสทในสกุลละกายสกลละวาจาสกลละใจ ของข้าพเจ้าอยู่ทั้งวันไม่มีประมานถือนั่นหมดแคนั่นละการถึงวัตถุป ร, ประสงค์ยังยัไม่ค่อยได้ของตัวเออก็โหมหันขอ้องเรานก็โมหารข้องเราเราเลื่อมใสยังไงเราก็ยอมตัวลงอย่างนั้นแล้วมันก็สุดท้ายถักษาบาดีเราแปลมันแปลไม่ได้แปลลำบากเหมือ น, นกัน มุติโชคสุราของขังมุติโอยู่ในจิตไปไหนตลอดได้ได้หมดได้คุ้มควางหมดได้คุ้มควอมคมคเอาแขวนไว้ก็ดีเพราะเป็นธงชาติเมื่อเห็นอันนั้นแต่อย่าไปเมื่อแขวนคออยู่อย่าไปดื่มสุราเมระยะข้ามหัวท่านนะบาแขวนคอแล้วก็ดื่มสุราข้ามหัวท่าน ผมคิดแต่ต้องปูกเลยไม่แขวนเลยฮะผมคิดแตบตองปูกเลวผมเลยเลยไม่มีการแขวนเออไม่แขวนก็ดีลองบ่อยลองแขวนแต่ไม่เคยไม่เคยไม่คยต้องพอดออกพูอยู่ในจิตพูดตลอดจิตนะตลอดเวลาจะไปแขวนควดดื่มเหล้าเน้อหยุดแล้วหรือยังเราไม่เคยด เออดีมากสาธุให้กัเด็ดมันก็ไม่มีปัญหาเนมันใครดื่มเหล้าเรารู้ความทุกข์เออเรารู้ทุกข์เลยแมันก็ไม่ยากคนหนุ่มๆอย่างนี้ไม่ไม่ดื่มเหล้าแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอันอื่นปฏิบัติง่ายๆหละการเมืองไม่ใชาจานก็เว้นแล้วมันก็ไม่มีปัญหาเนี่ย คือไอ้ยางงี้มันก็ไม่ดีอย่างไม่ประจบสอพอเขาที่เขาร่วมกินวงกันเขาได้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็กรับราชการก็ไม่ได้ดีไม่ได้ดีกว่าตามได้ดีที่ม่นเป็นธรรมมันก็ไม่อ่อนละมันไม่กีรังยังยืนเนาะได้ดีในสิ่งที่มันเป็นธรรมครับแล้วก็ดูแล้วเราก็รู้สึกก็สุขใจพะทุกคนว่าไม่ไปมั่วในสิ่งที่ไม่ถูกเรื่องอะไร นัตถีาลาปริณายกาคนพานไม่ใช่คนหัวหน้าบัญธิตาปริณายกาบัณทิตเท่านั้นเป็นคนหัวหน้าบัญธิตโตคลามาวัสังบันทิตเท่านั้นเป็นผู้ครองเรศาศาศาือนบุรุมัสสดาสอนหมดใครจะไปจบสอบพอได้ดีด้วยการไปจบสอบพอตะเพียงไหนก็ตามแต่ไม่เจรังยั่งยืนหรอกไม่อันหนึ่งก็อันหนึ่งละ่ะ ถ้าเป็นของหมบริสุทธิ์เราไปตามบริสุทธิ์ยกอุทธรณ์อีกคนหนึ่งควรจะเอามาเป็น อ, อย่างย่างในสมัยรัชกาลที่ห้าตลอดถึงที่หพอถึงสมัยรัชกาลที่หกที่เกตท่านก็จก้กเกษียณ น, นายหอวิจารณ์ลงอยู่ที่จังหวัดอุดร เป็นจ่าสารสมัยนั้นเขาให้เงินเดือนสามสิบบาทที่นี้รัฐบาลจะให้ขึ้นอีกท่านก็ยกมือใส่หัววิชาก็ผมขนาดนี้แล้วก็ผมในเพียงนี้แล้วก็พอใจแล้วก็ผมไม่เอาอีกแล้วเขาขึ้นเงินเดือนให้ไม่เอาพอดีก็วิชาก็ผมกระผมก็สันโดษพออยู่แล้วในโลกนี้มีเห็นคนเดียว ในโลกของอุดอรในโลกคนทางอื่นเราไม่เห็นโลกอุดอรมีคนเดียวเท่านั้นวิชาของกระผมก็เพียงเท่านี้แล้วก็พอดีกับวิชากระผมแล้วเป็นจ่าสารให้ผมสามสิบบาทแต่ผมก็ทำไรทำนาพออยู่พอกินอยู่แล้ให้กระผมอีกกระผมก็ไม่เอาดอกมีคนเดียวเท่านั้นเป็นจัดซื้อสุราไม่กินพอเลิกงานมาแล้วก็ บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านอ ย, อยู่รอบเมืองอุดรอยู่ชานเมืองอุดรถอนกล้าช่วยลูกๆเพราะลูกทำานาดื่มสุราหมู่เข้าชวนดื่มสุราก็จงจงถามทวารหนักของเราดูทวารถ้าทวารหนักของเรา ดื่มเราก็จะให้ดื่มไปถามมันดูสิแกพูดได้พูดก็เพื่อนก็ถือเป็นสายกันไม่ดื่มเสียเลยสุราแล้วเป็นหมอโบราณหมอยาสมุนไพรคนจนแกไปรักษาหายแกก็ไม่ออกถ้าเขาไม่มีคนที่รวยเขาให้ทานายแกก็เอาเขาไม่ให้แกก็ไม่เอา ไม่ตั้งราคาคนนับถือมากในชาญเมือง น, นซอขที่นี่วิดาของเราอีกเป็นคนซื่อสุดจริตสมัยเราเป็นเด็กอายุสิบอายุสิบหกปีต้องเกลือเกลือสิ้นเท่า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 เออได้ตั้งหมืน่นตั้งแสนพ่อก็ไม่เอาลูกเออไปดาวทุจริตที่นี้เรามาเกิดเรื่องใสวิดาของเราเออน้าตาไรเลย uh huh. วิดาเป็นคนซสัสื่อจริงๆเราทดสอบวิดาของเรา uh huh. ได้ตั้งหมืน่นตั้งแสนพ่อก็ไม่เอาลูกเอยเรื่องลูกมาด้วยนําพักนาแรงไม่ได้ชอบใครไม่ได้โกงใครในตาช่าง ในตาจะเครื่องมัดเครื่องตัวไม่ได้โกงใครเลยลูกเอ ย, เยที่ดินอย่าไปแย่งนะลูกเอ๋ยบาดเสียมเดียวบาดจอบเดียวก็ชิบหายขโมกขราไปเห็นเปรตท่านอธิบายให้ฟังไปเห็นเปรตอยู่ที่ภูเขาคิดชากูดล้วมาถามพระบรมศาสดาว่าเปรตตัวนั้นมีกอไผ่เกิดขึ้นที่หัว พระโมคขลาเห็นคนอื่นไม่เห็นแล้วยพระโมคขลามาถามพระบรมศ า, าบทูลพระบรมศาเจดาเปรตที่มีก็ภัยเกิดขึ้นในหัวนั่นมันมีไหมพระบรมศาสจดาเออเธอไปเห็นแล้วก็มาถามเราทําไมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ยิ่งชัดเข้าไปแล้วทีนี้ทีนี่ก้าวขอกาบทูลว่าเขามบีบุพกรรมอะไรแต่ในชาติก่อน เขาไปแย่งที่ดินคนอื่นนี่ยหลักของมันหลักเขตสามไว้อยูนะ่อย่างนี้แล้วเขาก็ย้ายมาที่นี่เขาไปรอบย้ายทีฉะนั้นกอไัยจึงเกิดในหัวเขาเมื่อเขา้นจากนรกมาแล้วบิดาเราให้ฟัง uh huh. มีน้าซ้าบิดารู้จักเวลาจะตายอีกเชียด้วยวันพรุ่งนี้นะพ่อจะสิ้นลมปาน ในเวลาแสงทองแสงเงินขึ้นนี้เองพ่รูร้ลูกวันนี้อย่ามารบกวนให้พ่ออย่าเอาหน้ามาให้พ่อดื่มเนอะพ่อจะนอนภาวนานอนไดแข็ง ข, งข้างขวาเลยพอถึงเวลานั้นก็ไปเลยจริงๆพ่อรู้จักแล้วธรรมดาคนแก่อธิบายฟังเมื่อเส็จขึ้นมาพก็ไม่มี พวกก็มมนมีกำลังขากออกมันก็มาอัดรูหลอดลมก็ต้องตายลูกเอ๋ยใครๆก็ต้องเป็นอย่างนั้นท่านพูดอย่างนั้นลูกชลาเกิดมามาเห็นมานดามาเห็นวีดาดื่มเหล้าเลยไม่เห็นวดาฆ่าสัสตว์เลยสุดจริตมาก จมูกโด่งๆถ้าจะว่ารูป ก, กายในจำนวนคนจำนวนนี้เนี่ยอตาตมาเองลูกเคเรกกว่าเพื่อนวิดา <c ười> จมูกโด่งๆเอวรัดๆสูงขาเข่าเลีอยงคนเวียงจันทร์ ตายแล้ววันหนึ่งกับคืนหนึ่งแล้วแม่มาแรงวันตัวเดียวก็ไม่มีอา น, นิสงส์ของท่านในเมื่อท่านมีชีวิตยอยู่ในะสิ่งอื่นๆก็ไม่นับแต่ข้อวัดในเกลือนี่เนี่ยเพราะท่านตรงเกลือปีหนึ่งก็ต้องถวายพระสิบสองกิโลไม่ขาด ทุกปีทุกปีทุกปีแต่ว่าอันอื่นก็ทําตามจิตกาลังของชาวบ้านชาวเมืองเขาอยู่เฉพาะอ่ะเฉพาะอันนี้เป็นเรื่องพิเศษนี่เมื่อท่านสิ้นชีวิตแล้วก็ บ, บรรดานมาให้เน่ามาให้เหม็นนี่เมล็ดวันตัวเดียวก็ไม่มีคนทั้งหลายขึ้นมาในบนบ้านเออออกปากหมดไม่มีกลิ่นเมล็ดวันตัวเดียวก็ไม่มี อันนี้สงเห็นในปัจจุบันอันนี้สงดีก็เห็นในปัจจุบันอันนี้สงชั่วก็เห็นในปัจจุบันเชื่อกรรมและผลของกรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ในทางดีก็เห็นในปัจจุบันในทางชั่วก็เห็นในชาติปัจจุบันไม่ใช่ชาติหน้าในทางชั่วเราเห็นตัวเราเองเลิกโรงเรียนแล้วก็ไปเที่ยววิทย์ปลา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 หาบม า, นาหน้าขนาดไหนก็ต้องแห้งหมดขนาดโคนขาก็ต้องแห้งขนาด<ห>าเอวก็ต้องแห้งเพราะหลายคนมาถึงภูจ ก, ก็มันมาอดน้มซ้านั่นบุพกรรมมันมาตามที่นี่ในส่วนดีที่นี่ ถ้าผ่อนทอดสบายข้าวน้ำข้าวที่ได้เคยให้ทานบ้างมันก็ยังพอได้ฉันได้นุ่งได้หอมเราไม่อดมันน้ำไหนจะหายใจโล่งก็เฉพาะปีนี้นะน้ำเพราะมีเทวดามาทําให้มีเทวบุตรเทวดามาทําให้ คุโยมอรุณีมาทํามาทํำน้ำประปาต่อมาจากสี่กิโลมาถึงนี่ไกลเงินเงินหลายแสนอยู่ก็ครับพงนับเป็นล้านเหมือนกันอันอันนั้นบ้างอันนี้บ้างนับทั้งเหล่านี้บ้างทั้งเหล่านี้ก็คงเป็นล้าน นับทั้งไฟฟ้าเขาทั้งขนทางเข้าไฟฟ้าด้วยขนทางด้วยขนทางที่ทําอยู่อยู่เนี้ยนี้่ของท่านอแต่ก็พระทําไว้บ้างแล้วพองูงูปลาปลาแต่ขึ้นไม่สะดวกถ้ามาทําอีกเรื่องก้อนหินก็เป็นของท่านหมดนึ่คนงานก็วันหนึ่งวันละห้าสิบบาทนี่สองสามเดือนเนี้ยกับคนงานมานี่นั่นนะห้าสิบบาทวันละห้าสิบาทเรื่องอาหารอีกพรอบอม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 ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์ก็ผู้ที่ตายแล้วเกิดนั่นเองมาถามกันอยู่นั่นถ้าศูนย์ไปแล้วจะเอาอะไรมาถามกันบางคนยืนยันว่าตายแล้วศูนย์ใครเป็นผู้รู้จกักศูนย์ก็ผู้มันไม่ตายมันรู้จกักศูนย์ถ้าศูนย์ไปแล้วมันจะรู้ทําไม มันก็คาซ่าเดี๋ยวนะี้คุณชูคงวิศวกรรมายช่างกลนรถจักรดีเซนที่นี้เขากาวตู้ล้อปูมัน่น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 ตมาก็จะตอบอย่างนี้พูดถามก็เอามาโนวิญญาณถามผู้ตอบก็เอามาโนวิญญาณตอบีน <Okay. S 1> ้พูดถามก็ไม่ควรถามผู้ตอบก็ไม่ควรตอบ mm hmm. ถ้าจะจัดว่าฉลาดก็ฉลาดทั้งคู่ถ้าจะจัดว่างโง่ก็งโง่ทั้งคู่ <laughs> หายนอนแน่หรือยังไปเด็กบ้าป้าป้าตื่นสายหอมสวรรค์ดูตุ๊โทตโมั่องโคลนลูกเมืปีเด้อเนี่ยใช่จ้ะคะฮะใช่ะมีกี่คนมีสี่คนค่ะเออหญิงสองชายสองสองชายสอง ขาพิการตกรถหรือรถมอเตอร์ไซค์ชนค่ะเออแต่ข้ามถนนมาขึ้นรถอีกฝั่งล้วไปชนเขาหรือเขามาชนเราก็บอกไม่ถูกนั่นไงสายคนสายชนนั่นแหละเราเราก็ต้องชนแก่เลยลงไปพร้อมๆกัน ลูกหลานู่ทางอุดรก็เหมือนกันคนหนึ่งก็กระดูกซี่โครงออกดีแต่ก็หายแลยมีคุณมหันมีโทษอนันในโลกนี้แล้วเท่าไรยิ่งนั่นเท่านั้นยิ่ง เดี๋ยวพนี้ใคราไปใรก็คุยกันเูนอนก็คุยเรื่อูคุยไเรื่อูจำวัดกี่ทุ่มก็บางทีก็หลับห้าทุ่มบางทีก็หลับหกทุ่มอบางทีก็หลับตีหนึ่งมันเอาเป็นประมาณไม่ได้ แกมาแล้เวเอาเป็นประมาณไม่ได้ที่บนหลุงพี่จำ <c oughs> ไม่เจอหลดงปู่ครับ <c oughs> ผ ม, ผมอยากคุย เ, เรื่องบุญเลยฮ ะ, <c oughs> ะคือคันว่าปก็ผมงสัยอย่างในกรุงเทพเนี่ยคั้นี้เกิดมีพระนิทายเป็นแบบสันติอสงฆฮะ ที่จริงๆแล้วผมอยากจะกราบเรียนลุงปู่ว่าคำว่าธรรมยุลนิกายกับมหานิกายมันเริ่มเป็นมาอย่างไงแล้วทําไมต่อมาจึงมีเป็นสันติอโศกนิกายขึ้นมาที่เหมนพ้าที่ไม่โกนคิวนะครับที่ผมก็ก็สงสัยเรื่องอันนี้ที่ไม่โกนเขี้ยวนะครับก็ก็มีอยู่ในทุกวันเลยมีครับเป็นสันติอโศกที่กั้ขึ้นมาใหม่พยายาม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 เรียกวิว า, าธิกรวิว า, าธิกรเกิดขึ้นในครั้ ง, งพุตธกาลก็เกิดซึ่งหน้าพระ บ, บรมศาสดาข่าวพิกสุแตกกันในเมืองโกสัมพีเมื่อพระ บ, บรมศาสดายังมีอยู่ก็สามารถแตกกันในเมืองโกสัมพีเมืองโกสัมพีนั้นมีพระเป็นจํานวนข้างละห้า้อยองค์หัวหน้าองค์หนึ่ง เป็นธรรมกรถึกหัวหาองค์หนึ่งเป็นพระวินัยทรห น, นักในทางพระวินยัยองค์หนึ่งหนักในทางธรรมเทศนาเกิดทะเลาะวิวาทกันขึ้นพระธรรมก็ถือขึ้นไปซ่วมไปห้องถ่ายไปถ่ายแล้วน้ําในกระบอกมันยังเหลืออยู่พระวินัยทรไปเห็น การทำเช่นนี้นต้องอาบัตทุกกฏพญายท น, น, นเพราะไม่ใช่ห้องน้มส่วนตัวของสาธารณะสาธารณะของสง์ถ้าเป็นของส่วนตัวก็ยกเว้นน้ำเหลือชำระนั่นทำไมถึงมาเทออกจากกระบอกเอาไว้ทำไมทำดังนี้ก็ต้องเป็นอาบัตทุกกฏที่นี่พวกสาธรสิทธ ของท่านทั้งสองโตกันนี่ก็พ้ออาจารย์ของใครของมันก็เกิดทะลาะบาแวงกันขึ้นไม่ยอมถ้าทำมากระถึกก็รับว่าไม่เป็นอาบัติพระวินัยทรก็ว่าเป็นอาบัติทีนี้เกิดขึ้นพระบรมชาติสดาก็ไม่ตัดสินชนะยิ่งไม่ตัดสิน เพราะเห็นว่าถ้าตัดสินให้ทางในทางหนึ่งคนะอธิการจะกําำลุเพราะมีทางละห้าร้อยแล้วและก็เป็นอาบัตเล็กน้อยเป็นอาบัตเพียงทุกกฎถ้าเป็นอาบัติมากพระบรมศาสดาก็จะตัดสินเพงเลยปล่อยให้เขาเขาหากจะแค้นโทษเขาหากจะไกลเกลี่ยกันเองหดอกพระบรมศาสดามองเห็นแล้วมองเห็น ตินนะวัฏฐาระกรารวินยัยนะความใั้ประประนมนโนมทั้งทั้งสองฝ่ายไม่ต้องชำระความเดิมเลือกตินนะวะัฏฐารละกรารวินยัยที่เรียกว่าไก่เกียร์นันที่นี่พระบรมศาสนาก็ไปหาอุบายบอกว่าผู้ที่เขาลวงละเมิดเขาเป็นคนชนิดไหน ผู้ที่เขาเหลือหน้าไว้ในกระ บ, บอกนั่นเขาเป็นคนชนิดไหนเขาเคยเป็นคนล่วงศื้้าบทมาหรือทําไมผู้โจทึกทำไมพีมพ่เจรณาบ้างที่นี่ท่านก็พูดอีกผู้ที่เขาโจทก์เขาเป็นคนชอบทอยทอดชอบความหรอกหรือเราทําไมถึงไม่พี่เจรณาเราเป็นจําเลยท่านก็พูดสองสองสองทางเอง แล้วก็มายอมกันยอมกันท่านก็เลยหนีพระบรมศ า, าสานาดา น, นิหนีก็อยู่ป่าลเลไลอยู่มาอยู่มาชาวบ้านของเขาะ่ะเห็นว่าเอ๊พวกนี้ทิฏฐิมานะามากทําให้พระบรมศาสานานี้จากพวกนมิชาวบ้านเขารู้จักอยู่นี่พวกเราไม่ใส่บาทให้ให้ให้ชั้นอนะ เขาก็ไม่พอยใจจะใส่บาตรให้ฉันจําพวกนี้แต่พระบรมศาสดาไปองค์เดียวให้พระอาหนุ์อยู่เป็นทูษอยู่คอยดูแล้วจะไปองค์เดียวอาหนุ์ก็ไม่ให้ไปด้วยไปป่าเรกกิตตวันเรียกวิวาธาจิกอนวิวาเมื่อวิวาทาจิกอนเกิดขึ้นที่นี่เอาไปเอามาเมื่อพระบรมศาสดาไปอยู่ป่าลรยลัยแล้วพวกนี้ก็เห็นโทษเลยมายอมกัน ไม่เอาผิดกันผมก็เกินไปเวลาผมโจทย์พวกท่านก็ไ ม, ม่มีมารยาโจทย์แล้วไม่ได้ขอโอกาสด้วยผมก็ผิดเหมือนกันทีนี้พวกนี้เออผมก็ผิดเหมือนกันว่าพวกท่านโจทย์ว่าผมเป็นอบัตทุกกฎผมแสดงอบัตทุกกฎไปแล้วก็แลวกันไปพวกเรามีโทษมากมีทิฏฐิมานะมากพวกเรา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 ถ้าจะว่าทางถูกก็แบ่งทั้งสองทางให้กันแล้วนี่ก็เววรียกวันนั้นับกันหน่วยจินนาวัฒนธรรมิรมในใหที่นี้ฝ่ายพ่อบรมศาสดาพอไปถึงป่าเลไรก็ไปพบช่างตัวหนึ่งช่างตัวนั้นก็หนีจากหมู่ช่างมาในวันนั้นเองมาพบพระบรมศาสดาช่างตัวนั้นเป็นนิสัยพ่อประเจด เราอยู่กับหมู่ช่างเวลาเราลงจะไปลงไปกินน้ําช่างน้อยก็ไปกวนน้ํ า, าให้ขุนหมดเราเอื้อมือเอาใบ ไ, ไม้เอาใบไร่ช่างน้อยทั้งฝูงก็ช่วยเอาไปกินหมดเวลาเดินไปก็เสียดสีเหยียบเล็บเราไปสารพัดวิ่งอวนหน้าอวนหลังผ่านหน้าผ่านหลังฉากหน้าฉากหลัง ปาปมิตรเราไม่อยู่ด้วยไม่ไม่ไ ม, ม่แต่ไม่มีสูงเราจะหนีก็เลยหนีก็เลยไปพกพระบรมศาสด า, ศ า, ศาก็เลยปฏิบัติพระบรมศาสด า, า, าอยู่ช้างตัวนั้นนิสัยช้างตัวนั้นตัวนั้นจะเป็นพระประเจกเรื่องนี้มันยาวมากไม่ต้องเล่าทีอธิกรนจะเกิดขึ้นเรียกวิวาธาธิกรวิวาธาธิกรจะเกิดขึ้นมีอยู่หลายแง่ คู่หนึ่งเถียงกันว่าสิ่งนี้เป็นธรรมสิ่งนี้ไม่เป็นธรรมนี่เป็นคู่หนึ่งสิ่งนี้เป็นวินัยสิ่งนี้ไม่เป็นวินัยนี่อีกคู่หนึ่งสิ่งนี้พระธถาคดเจ้าทรงมัญญติไว้สิ่งนี้พระธถาคดเจ้าไม่ทรงมัญญัติไว้สิ่งนี้พระธรรคดเจ้าทรงประพฤติมาสิ่งนี้พระธรรคดเจ้าไม่ทรงประพฤติมานี่เป็นคู่คู่อัธยาศะเพรกาลวัตถุตามมาลีมีชีแปดอย่างแก่ไว้เก้าคู่ สิ่งนี้เป็นอาบัตเบานะสิ่งนี้เป็นอาบัตหนักเถียงกันอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอาบัตมีส่วนเหลือสิ่งนี้เป็นอาบัตไม่มีส่วนเหลือนะสิ่งนี้เป็นอาบัตหยาบคลายสิ่งนี้ไม่เป็นอาบัตหยาบคลายนะเถียงกันไปอย่างนี้อธิกรณ์นี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วสงไม่รีดเรืองัดเสียจะทำให้เป็นนานาสังวาดนานานิการในพระมีในมีอย่อางนั้นอนุวาทิกะ ธาติกรเกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้วิวาธาธิกรเกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้อนุวาธาธิกรเกิดขึ้นอนุวาธาธิกรคือโจทกันด้วยอาบัตินั้นก็เป็นเหตุให้อาปัตตาธิกรเกิดขึ้นอาปัตาธิกรคือการปรับอาบัติกันก็เป็นเหตุให้นิฆะเหตุเกิดขึ้นเพราถูกข่มกันเรื่องทีง่ไม่โกนคิ้วที่นี่ มันเป็นเรื่องของนิกายที่แทรกมาต่างหาเช่นนิกายฝ่ายปฏิบัติก็มีหลายนิกายอยู่ในตัวแต่ลงโอบโบสถทางกรรมกันได้ไม่รังเกียจจนถึงไม่ลงอุโบสถทางกรรมทีนี่คุณลองมึกดูว่าเดี๋ยวนี้ประเทศไทยของเรามีสนิกายนิกายใหญ่ส่วนนิกายย่อยอีกมันแตกไปอีกนะครับครับถูกไหมถูกครับอ่ นิการใหญ่ๆมีสองนิการคือธา ร, รมยุท์ถึงมหานิกรธรรมยุทธ์ก็แตกออกเป็นหลายนิการธรรมยุตธ์ฝ่ายนักเรียนก็แตกออกเป็นนิการหนึ่งแต่มันเป็นอยู่ในในแต่ไม่ได้เอาออกมาพูดนิการฝ่ายนักเรียนมันก็แตกออกอีกพวกหนึ่งก็ไปเรียนหนังสือพอได้เป็น นักธรรมธีโธเอกหรือปรเรียนแล้วก็ออกประคองโลกนี่เป็นนิกายหนึ่งครับผมกำลังจะถาม <S <S เรียนถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่มีความคิดยังไงในกรณีที่คณะนะฮะอย่างมกุฎมหาว่าราดวิยไลอะไร น, น, นี่ยที่ผลิตนักศึกษาพระออกมากแต่ที่คราวนี้ยยังผมก็เลยมองพระว่าไอ้พระนี่เข้ามาเพื่อเพื่อมาศึกษาด้านนี้แล้วออกไป ในทางโลกจะผิดหรือผูกจะจะตรงตามความมุ่งหมายของพระสัม ม, รรมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าไม่ไมๆๆมมมมความมุ่งหมายของพระบระมศาเจดานั่นให้รุดพ้นการบวชมาก็หวังเพื่อรุดพ้นในวันตาะสงสารเท่านั้นครับถ้ามาอย่างนั้นมันก็ไม่สมบูรณ์มีมีมีอันเดียวเท่านั้นทีนี้ผมก็ดูเหมือนกันว่าเฮ้พวกเนี่ย ก็ ว, ว่าอาศัยผ้าเหลืองเพื่อศึกษาหาความรู้แล้วก็พลิกตัวออกคือมาอาศัยช่วครั้งโชั่วคาวเพื่อได้ดีเกียอะไรแล้วก็ขอหลุดพ้นจากผ่าเหลืองไปอะไรส่วนมากเลยที่เรามองมารู้สึกกันปฏิบัติทําวินัยนะลูกูนะครับที่ที่ผมเห็นเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยจะผิดในทางในทางสายเนี่ย สายทางที่เป็นพระนักศึกษาเนี่ยจะผิดพระธรรมวินัยแ้ะส่วนมากนะครับเดินไปกับมาตุคามก็มีนะครับในที่ไม่เจรจรับผูรับตาในที่ลงแจ้งซึ่งอันนี้มันก็เป็นสาเหตุหนึ่งผมออก็ขอกราบเรียนหลวงปู่ว่าเพราะว่าเก่งพุทธกาลหรือว่านนี้มันสอง0ันห้ารอปีเนี่ยกศาสนาพุทธเนี่ยจะเลียวปลายจริงนะครับ ก็จริงอยู่กับฝ่ายปฏิบ no. hmm. no. okay. mm ัต hmm. okay. okay. right. mm ิแต่ว่าพุทธศาสนาไม่ได้เดียวไปไหนความจริงของพุทธศาสนาคงที่มันจริงอยู่กับผู้ปฏิบัติหย่อนเป็นยุคของผู้ปฏิบัติหย่อนมีปัญหาว่าว่าประวัติผู้สักษาสมัยทุพสีอ่านเนี่ยครับมันมันเป็นยังไงอยู่ใหลวงปู่ผมว่าคือบอกว่า ศาสนาของพระสีพระสีอารยากับพระสมมัติพุเจ้าเนี่แยกกันมาเกิดก่อนใช่ไหมครับไม่ตัวที่มีการชิงดอกบูว่าชิงอะไรกันกันแล้วพระพุทธเจ้าใช้เล่ห์เหลี่ยมกับผมขอประธานอนุาตนะครับเพื่อ ก, การม า, มาประกาศศาสนา ก, ก่อนหล<ๆ>ปูว่ามันเท็จจริงยังไงมันเท็จอันนี้เรื่องกาวตูพระสมาถถบาตะพุทธเจ้าอครับถ้ารักอาบุญได้อัตมาก็ไม่ต้องบวชนย่งหลวงปูเขาไม่ต้องบวชไปเที่ยวรักเาของเขาเลย ถ้าบุญบาตรรักเอาของกันได้ <g ül> ก็ธรรมเนียมของปัญญาทิกะก็ตัดสู้ไดเรีวพระศาาคตของเราพระศิรยเมตายนันวิทยาทิกะ ก, ก, ก, ก, ก, ก็จำเป็นก็สร้างบารมีนานแตบที่ประสงค์ไขแต่ทามีความหมายอันเดียวกันผิด <c oughs> กันแต่สร้างบารมีน้อยหรือมาก ธรรมเนียมของปัญญาทิกะก็ต้องมีอายุสัน้นต้องมาศาสนาน้อยแล้วก็ต้องปรับสรูได้เร็วที่หลวงู่การปฏิบัติกรรมฐานจนถึงขั้นบรรลุนะครับกับหลวงปู่มีทางสังเกตยังไงไหมคว่าว่าพระ อ, องค์ไหนที่สําเร็จอรหันต์หือสําเร็จโสดาบันโดยการทางทําวิธีปฏิบัติกรรมฐานอย่างปีบันเนี่ครับคือผมมีมีความเชื่ออยู่ในหลวงปู่ลนะ คือถ้าเราได้ไปกราบพระอรหันต์ยังเท่ากับว่าเราได้กราบองค์พระธรรมจกักแต่ครั้นี้ผมผมเจอพระสมุ์มได้แต่ไม่อยากไหว้ที่ผมก็มาหาหลวงปู่เลยผมก็จะจ ะ, จะเรียนถามว่าหลวงปู่มีทางมองอย่างไรไหมนะ ว, ว่าที่จะบอกผมได้นะว่าที่สูสององค์นี้น่าจะกราบไหว้บูชาอย่างไงครับ มันก็เรื่องปฏิปทาของท่านสองแสดงให้เห็นอยู่แล้พระเลขพระผาพระนาำเวทนำมนตล้างเพื่อเอาสตาพระทำนาย่ายพระกลายเนายท้าพระจะแวงหาเงินแหวงหาลา ในทางที่ไม่ชอบมันก็สแสดงให้เห็นอยู่แล้วแล้วจะถามแล้วก็ถามมันก็ตอบใครจะตอบให้เรามันก็ตอบไม่ถูกหรอกก็พอเห็นก็พอเห็นคือที่ก็หลวงปู่บอกว่าตอนนี้ก็ใกล้จะจะเข้าพรรษาแล้วก็ต้องมีการออกพรรษาพอเข้าป่าตกับถิ่นนหลวงปู่การเรียรลายต่างๆนี่มันเป็น มันมันมันอยู่ในอนข้ออะไรของสงฆ์ไหมครับว่ามีความจําเป็นคือถ้าเราไม่มีเงินเราไม่น่าจะสร้างหลวงปู่มีความคิดอย่างนี้ไครับการนี้การนี้อะไรก่อสร้างหรือครับบางทีคือหลวงปู่ก็แบบว่าคั้นี้นะถ้ามองวัดในศาสนาพุทธเนี่ยสร้างกันเรื่อยเกิน <c oughs> ออต่างคนต่างพอเป็นปอาจารย์ขึ้นาไาแล้วจะสร้างดูนะครับว่าสร้างวัดจะสร้างโร ง, งเรียนอันไหนที่จะได้ศรัทธามากกว่า โรงเรียนโรงเรียนนักเรียนที่โรงเรียนที่สอนเด็กสอนเด็กเล็กๆที่ขาดอีกเที่เราจะประชาชนบ้านเราไม่รู้หนังสือเะไรย่างนี้ครัมันก็สูสร้างวัดองครับสู้สร้างวัดไม่ได้แล้วนะมันก็สูสร้างวัดสูสู้สร้างในพระพุทธศาสนาไม่ได้ครับกุศลก็ไปคนละทางอีกกุศลไปคนละทางไปคนละทางทางนั้นเป็นโลกรีนครับ้างหนึ่งเป็นโลคุตระี่ ที่ผมฟังหลวง ป, ปู่เทศมฤครูนะครับว่าถ้าเราศาสนาพุทธเนี่ยนะครับไม่ให้นับถือศาสนาของศาสนาอื่นถูกแล้วนะครับแล้วทีนี้ว่าคือขณะนี้นนผมผมรู้ศาสนาพุทธแต่งขณะเดียกันผมเข้าไปฟังการบรรยายของของคริสศาสดาต่างๆที่ผมต้องการามาเพื่อเปรียบเทียบเนี่ยเท่ากับเท่ากับว่านี่ถ้าผมไม่มีโอกาส ไ, ม, าไ ม, ม่โอกาสนิพพานตามคําเทศของหลวง ป, ปู่ไหมครับคือแปลว่าขณะ น, นี้นะครับผมก็ แล้ว เ, เข้าไปศึกษ า, าคริสต์ลัลาากษณะว่าผมก็เข้าเปรียบเทียบะครับเปรียบเทียสอนในใจผมมีเป็นศาสนาพูทธคือรับถึงองศาสดาของศาสนาพุทธแต่ในขณะเดียกันผมก็เริ่มจะศึกษาองเยซูอย่างนี้เท่าเท่ากับผมไปรับถืขขอศา ส, สดาของศาสนาอื่นหรือเปล่าถ้าหากว่าจิตของคุณโอนเอียงเชื่อเลื่อมใสมันก็ถือ ถ้าหากว่าไอกิจของคุณนั่นไปลองดูว่ามันจะไปแค่ไหนลูกไม้ของมันชคดูเสียก่อนมันก็เป็นแบบหนึ่งถ้าไม่โชคดูก็ไม่รู้จั ก, ก็ไมมมวยเข้าไปแบบไห น, นออถ้าคุณไปลองอยู่ดูขนาดนั้นก็ยังว่าอัญญาสัตวุเทศถือศาสตาอื่นไม่ได้เรายังไม่ได้นับถือเรายังไม่ได้นับถือเรียนได้เข้าไปศึกษาเพิ่งไปเข้าไปศึกษาเฉย เรื่งที่ผมเคยเถียงกับเพื่อนผมคงผิดนึ่งผมผมว่าคือศาสนาพุทธเนี่ยเปิดประตูกว้างสาหรับพุทธมรรครือศาสนาไชนเนี่ยคือจับไปแล้วคือศาสนาก็ได้นะครับเดียวกันคือผมมีเพื่อนเป็นอิสลามถ้าบอกเขาจะยกมือไหว้พระสงฆ์ไม่ได้ใชครับที่ผมก็ถามไอ้ทําไมจึงยกมือไว่าผสมไม่ได้เ้าบอกว่าศาสนาเขาไม่ให้ยกมือไหว้คนต่างศาสนาแต่เนี่ยดูกันถ้าเกิดผมเจอแบบ อิมมามาะลรเขาเลยครับผมยกมือไหว้ผมก็บอกว่านี่ยศาสนาพูดจะเปิดประตูกว้างแต่ทําไมาศาสนาอื่นเขา <Okay. S 1> เขาแคบเขา uh huh. ยายามปิดประตูล้อกกอบของเขาเอาไว้ปูชโ<ะ>กละพะเตปูชังผู้ว่า ย, ยอมได้ว่าต่อไปไหนคุณลุงไปนั่นดอกออ่า uh ื huh. ไปไหนคุณป้าไปนั่นดอกอ uh huh. สวัสดีหรือสวัสดีเขา ย, ายกมือไหว้ก็ต้องไหว้ แต่เราไม่ถือว่าเป็นสาธารณะเป็นแกนสารเราเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นแกนสารอันนั้นเป็นเรื่องสองฝันกันต่างหากเปวิสมาคมครเรื่องบริสัทโยตารประชุมชนต่างหากอะไรเราไม่ถือเราไม่ถือรเราทําให้ถูกการเทศะเฉยแต่ว่าจิตใจของเรายังมั่นอยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อมันก็ไม่เป็นปัญหาอืม ผมวิเคราะห์มาทีนี้ทีเนี้ว่าการบรญชาแบบอุกาสาเมยังพันเตกับเอสาหังพันเตเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรก็ไม่แปลกมีอันเดียวกันไม่แปลกหรอกอเอสาหังพันเตก็ไม่แปลกอุกาสวรรคาก็ไม่แปลกแต่ว่ามันเป็นพระวินัยอันเดียวกันข้อห้ามอันเดียวกันท่านนั้นส่วนคําขอสมาทานบวชนไม่แปลกหรอก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 ใช้ชื่อว่าสุปฏิปนโนอุชุยยายะสามีเท่านั้นนี่เนืสาวของพระผู้มีพระเจ้าท่านยืญญานยันท่านั้นท่านมายืนยันว่ามหานิกายเป็นธรรมยุทธเป็นเป็นสาวกของท่านท่านก็มายืนยันว่าธรรมยุทธเป็นสาวกของท่านนี่ก็สูตรถืออย่างนี้ถือผู้มีกิเลสน้อยเป็นสาวกของท่านสุปฏิปนโนอุชโยยายะสามีเท า, านั้น ถ้าไมได้ยืนยันว่านีิกายนั้นน้กายนี้เป็นจาวของเราพัวอย่างนี้ผมก็หมดปัญหาก่าก่าทุกครับที่ถ้าที่แต่ว่าศาสนาพุทธนะฮะที่คนอยากจะทํางบ้านนอกคนี้จะเจริรู้เรืองแต่ทั้งในเมืองกลุงเนะเพราะว่ามันเจริญทางวัตปุนั้นศีลธรรมมันก็จะเสื่อมลง ที่ผมก็ยังสงสัยบางคนระดับแบบพันเอกกับมหาจำลองเลยฮะเพื่อไปคลั่งใครกับกับสันติสันติอโศกนะครับผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพ่อที่นสันติอโศกเนี่ยเขามีมีนายจุฬาฯมีอะไรยังไงแล้วทีนี้ว่ามีเพื่อนผมคนหนึ่งครับผมผมอยาหากอกาไปคุยกับสันติอโศกที่ตอนนี้เขตั้งสํานักอยู่ของกองตําแต่มีเพื่อนผมไปมาแล้วบ ถามนตรงๆเลยว่าทําไมถึงไม่โกนคิ้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาถูกพระพุทธเจ้าไม่โกนคิ้วจริงปะโกนพระพุทธเจ้าโกนคิ้วโกนโกนหนวดโกนคิ้วอหนวดก็โกนคิ้วก็โกนเนฉะนั้นพระวเนยจึงว่าจึงห้ามมาให้ไหวหนวดเป็นคราให้โกนเสียหรือถอนเสียด้วยแหนบคนในรูจมูก ก็ให <c oughs> ้ถอนที่มันโผล่ออกมาที่มันอยู่ในจมูกมาให้ถอนเรื่องตัดเล็บก็ให้ตัดเสมอเนื้ออย่าไปเหลือไว้การตัดเล็บและแคะมูลเล็บเป็นกิตของพระวินัยการโกนผลปรงโหรโกนคิ้วเหมือนกันเพื่อจะให้ต่างจากฆราวาสบ้าง การโกนผมทีนี้แต่ก่อนก็ชิ้าวันโกนแต่ทุกวันนี้เดือนละครั้งมันก็มีหลักอยู่ว่าพระมีนายมียพระมีนายนั้นห้ามมาให้ไหวผมเกินสองนิ้วเกินสองข้อมือนี่อสองข้อมือ ไม่ให้เกินสองข้อมือแล้วไม่ให้เกินสองเดือนแล้วไม่เกินสองเดือนถ้าเกินสองเดือนไม่ให้เกินถ้าหากว่าเดือนเดียวยาวเกินสองข้อมือก็ให้โกนสัก<ม>เหตนฉะนั้นจึงมีการโกนผมเดือนละครั้งเพราะไม่เกินสององค์ครับ สองข้อคูรีข้อมือนี่ขอนิ้มือนี่ที่เรื่องโกนเขี้ยวพระมีนายอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าความเห็นมันแปลต่างกันบางท่านบอกว่าบางท่านก็เถียงเรื่องเงินเรื่องคำเรื่องเงินเรื่องทองห้ามมาให้จับห้ามไมาให้ถือเอง ยินดีแล้วทองอะไรเงินที่เขาเก็บไว้เพื่อตนนำมาตรงนิสสกีอภิชิตีครับนี่ก็โตเถียงเกี่ยงงนกันบอกว่าเอาไว้กับคนอื่นแล้วก็ยินดีอยู่มันก็เป็นแต่พระมหาสมณเจ้าท่านเทศมีเหตุผลให้ยินดีในในตัวเสนาสนะให้ยินดีในปัจจัยสี่ว่าให้ยินดีในตัวเงนินฟยังง ที่นีของอนามาติที่ไม่ควรจับมีอยู่เงินทองเครื่องแต่งตัวผู้หญิงเครื่องดักสัตว์น้าสัดบกใครไปจับเปนบ็นอาวัธทุกกดปืนก็ดีธนูก็ดีดาบก็ดีมันนี่ห้าม ถ, าถ้าเขาลืมอยู่ในวัดต้องเก็บมาให้เจ้าของถ้าไม่เก็บต้องทุกกดก็พูดอย่างนั้นก็จะถ้าภิกษุไม่เก็บไว้ เขาก็จะหาว่าผิดศีลเรเอาของเอยอครับแล้วก็เคยเห็นเนี่ยพระพกปืนในย่ามีจะเผ็ดขนาดอะไรขาดจากสองแม่ไม่ขาดแค่ทุกกฎทุกกดเป็นทุกกฎถ้าไปยิงเขาให้ตายเป็นอาบัติประลัยชครับถ้าเขาไม่ตายเป็นทุนนใจถ้าเขาไม่ตายเป็นทุนนักใจแต่ว่าผู้ที่ทำอย่างนั้นจิตใจของเขาโอนไปทางไหน เขารักพระพุทธศาสนาจริงหรือหรือเขาจะทําให้คนอื่นรังเกียจพษษาาระพุทธศาสนามันก็มีหลายนโยวายทุกวันนี้ <c oughs> อืที่อันนี้ก็คือเข้าท้านะครับผมอขอถาบเรนลุงปู่ให้ลุงปู่ช่วยแนะ น, นาการวิธีทํากรรมฐานเบื้องต้นเลยครับคือตอนนี้ผมคือจิตใจเลยไม่ไม่สามารถที่จะคุมจิตใจตัวเได้ เพื่อให้ใจสงบได้ปูมีอะไรที่จะแนะนํนนอาชอันนี้ครับเดี๋ยวจะย้อนถามเสี ก, ก่อนครับนิสัยของคุณนั่นหนักไปในทางไหนหนักไปในทางกามาวิตกหรือพยาบาทวิตกหรือ ว, วิหิงสาวิตกโกรธง่ายไหมพอเห็นถ้าหากว่าคุณมันพูกโกรธง่ายมีโกรธเป็นหัวหน้าก็จเจริญเมตตา ถ้าว่าคุณพอรักสวยรักงามรักผู้หญิงหนักในหัวใจอยู่คุณก็ต้องพิจารณาอสุภะครับครับถ้าหากว่าคุณนั่นฟังอะไรไม่ค่อยเข้าใจพิดฟิฟังฟังบักพากจนลืมหลงหลงคุณก็ต้องเจริญอาณาปรนสติรวมให้เกิดเขา แีนี้กรมกรมวิธีในการทำมคือผมอ่านในหนังสือแล้วผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่ายุบนอพองนออะไรเนี่ยครับมันเป็นยังไงทำไมถึงต้องกล่าวคำนี้ขึ้นมาพวกที่กล่าวคำนี้นะั้นบริกรรมเพื่อให้คกิดอยู่แต่ว่าถูกไหมล่ะก็ถูกในชั้นที่บริกรรมนั้นแต่สามารถจะภาวนาวิปัฒนาได้หรือไม่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 เราเห็นการยุบหนอพองหนอนั่นมันเป็นของไม่เที่ยงคำว่ายุบหนอพองหนอก็เป็นคำที่เกิดขึ้นแปร่พนระดับเป็นคำคำไปแล้วก็น้อมลงสู่ในอันิจังทุกครั้งอนตาก็เป็นนิพพานาได้เหมือนกันเพราะในขางพุทธการบางองค์ก็รูปผ้าอย่างนี้ โชเนางและชังหาลติแลโชรอนางและชังหาลติมันกฎจักรน่าเป็นบริกรรมแต่ปลายเป็นปฏิสำเร็จปฏิสัมพินธ์สื่ไปครับเพราะสติปัญญาไม่เหมือนกันยานสัมพยุทธ์ที่มีปัญญาพร้อมกันมันไม่เหมือนกันยก ต, ต, ตัวอย่างเช่นวิศนักธรรมเอกสมัยหลวงปู่เรียนนักธรรมเอกอยู่นั้น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 มันขึ้นอยู่กับยานสัมบัต์ของผู้นั้นถ้าหากว่าผู้นั้นมียานสัมบัติเวลาบรารบบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่เห็นความเกิดความดับทั้งความบริกรรมของตนด้วยน้อมลงมาใส่ใจของตนด้วยพูดที่ว่าพุทโธพุทโธอยู่นี่มันเกิดดับเกิดดับอยู่ทุกๆขณะของวายชาเป็น ร, บรอบๆของของความนึกความคิดเป็น ร, บรอบๆแล้วพวงลงสู่ในอนิจจังทุกครั้งอนัตตาว่าเป็นตัวอนิจจังอันละเอียดในนามขันนี้ จะว่าเขาเป็นสมถะก็ไม่ถูกก็ต้องว่าเป็นนิพพานาถ้าให้หลวงปู่ตอบก็ตอ้ตองตอบอย่างนี้ทุกวั น, นครับขาได้มามปฏิบัติครับเขาจะเข้าใจนิดหน่อยทั้งหุครับเข้าใจไหมครับที่หลวงปู่มาอธิบายไม้ผ่อนเ ข, ข้าใจก็ดีขึ้นนะครับหลวงปู่ทุกวันนี่ไม่ได้ลําบากหายใจเขาครั้งเดียวอยากจะเห็นรอบโลกก็ได้ อย่างนี้นำได้แล้วกันนำได้นะฮะไหอย่างผมนั่งแล้วก็เข้าแ ล, ล้วหลวงปู่ใช้นั่นนำได้นะฮะหลวงปู่ก็ทําเพื่อคล้ายๆว่านําให้พบให้เห็นอะไรให้รู้อย่างเนี้ย<ม>ผมก็นั่งจะเริญนภาวนาหลวงปู่ก็นั่งแล้วสามารถที่จะนําให้พบให้เหมือนอย่างกระชายภาพภาพยนต์ให้ผมดูเนี่ยทัมงหมดเลยครับคือครั้นี้หลวงหลวงปู่ดูเห็นได้นะครับแต่ผมไม่เห็นไม่ได้ มีวิธ <watering, S 2> ีการถ่ายทอดที่จะให้ผมเห็นหลวงปู่ไหมครับคอนี้มันก็เป็นเป็นเรื่องของอภิญญาต่างหากไม่ใช่เรื่องของปัญญาเป็นเรื่องอภิญญาต่างหากคนหนึ่งกิบเพือจะให้คนหนึ่งเข็มด้วยมันก็ไม่ได้มันผิดธรรมชาติเสียแล้ว คคือเที่เขา <a> พูดกัน<อ>ก็พูดเป็นคําพังเพยกันมาอย่างนั้นแหละคือแน่ได้ฟังว่าเขาสามารถจะจะนำให้เราเห็นตามไปได้ <weirdly> อันนั้นมันเป็นด้านสมถะเป็นด้านอภิญญาณทีนี้เราจะมีคํายอนถามอีกว่าเมื่อเราเห็นความแก่จะเรียกว่าเราเห็นโลกหมดหรือไม่ เท่านี้ก็พอแล้วะต้องเห็นหมดไม่หมดเลยไม่หมดหรือหมดเพราะโลกเต็มไปด้วยความแก่ทำไมถึงจะเห็นไหม่หมดโลกมนุษย์แล้วก็ไปไม่เท่าเห็นไม่หมดเลยถ้าเรามองถึงนหลวงปู่ถามว่าถ้ามองถึงเห็นความแก่ก็ต้องเห็โลกหมดกต้องเห็นโลกทางปัญญา การเห็นมีกี่อย่างในพุทธศาสนาการเห็นด้วยตาการเห็นด้วยใจปัญญามีกี่อย่างในธรามะพุทธศาสนาจักสุปัญญาปัญญาคือจักสุที่ิปจัขุจักขุที่ิปสมัญตะจักขุจักขุรอบข้อบปัญญาจักสุจะสุคือปัญญาทีนี้ปัญญาจักสุหรือจักสุรอบครอบเนี่ยเป็นมหาจักสุเหนือสิ่งเหล่านั้นไปแล้ว เหนือสิ่งที่พระจักขูไปแล้พระทิพทั้งหลายอยู่ใต้อํานาจอนิจังเมื่อเห็นอนิจังชัดก็เรียกว่าเห็นทิพของทิพทั้งหลายแล้วอ๋อครับเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจคือผมเริ่มเข้าใจคําว่าอืมคําว่าเมื่อาเมื่อเราพิจารณาเราเห็นอนิจังนะครับอืก็จะมีท่ากัท่าการลอยเห็นเป็นทิพจักสุใช่ไหมครับหลวงปู่ครับัญญาจักสุคือถ้าเราเห็นเทน หรือสมัญตจักรนี่ะเราดูรอบครอบครับถ้าเราเห็นอนิจจังเนี่ยเราปมได้ว่าอนิจจังเนี่ยมันของไม่เที่ยงร่างกายเราเนี่ยมันก็เกิดแก่เจ็บตายอยู่ในวัฏสังสารวนอยู่แค่นั้นวนอยู่แค่วนแค่ที่ถ้าถ้าเราเห็นอย่างนี้ปั๊บก็เราถ้่ากับเราเห็นนี่เป็นเราเห็นปัญญาจักสุตรใช่ไหมครับถูกแล้วผมผมผมเรื่องเข้าใจว่าคขาบ่าปัญญาจักสูตรจักสุคือปัญญาอสมัญตจักสูจักสูรอบครอบก็คือตัวปัญญานั่นเองะ ทิพย์จักขู่จักขู่ทริปเนี่ยไม่สาคัญ<อ>จักขูท่ทริปอยู่ใต้ปอยู่อยู่ใต้อํานาจของปัญญาทริปใช่ไหมจักขูท่ทริปมองเห็นเทวบุตรเทวนาได้าไกลกับปัญญาจะสู้อันไหนไปเร็วกว่ากันอนี้เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เราเห็นไหมเทวบุตรเทวนาฬิกเราก็เห็นอยู่ด้วยปัญญาเพราะเทวบุตรเทวนาอิกาอินมพยมยักอยู่ใต้อํานาจอนิจังเมื่อเราเห็นอนิจังแล้วก็เห็นหมดทั้งใจโลกธาตุ เราก็ไม่ต้องเป็นห่วงเมื่อเราเห็นหน้าแล้วเราก็เห็นตาอยู่ในตัวนี่เมื่อเราเห็นความจริงแล้วจะว่าเราไม่เห็นโลกก็ไม่ได้เมื่อเราเห็นกองทุกเต็มไปในโลกเราจะจัดว่าโลกกัวิถีได้ไหมลูกแจ้งโลกก็จัดได้เหมือนกันเมื่อเราเห็นสังขารเกิดขึนน้นแล้วแปลผลตั้งแต่สลายสังขารกับโลกก็อันเดียวกันเพราะโลกบััญติรยายอย่าง สังขารโลกคือสังขารจัดโลกโลกคือมูสสัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่ชาปการมาพระเจ้าหชั้นพุทธโลกได้แก่รูปปภูมิจึงหกชั้นอรูปปภูมิสี่ชั้นอีกที่นี้เมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดแล้วจะเข้าใจว่าเห็นโลกเหล่านั้นหมดหรือไม่นั่นต้องเห็นนั่นครับต้องเห็นต้องเห็นด้วยปัญญาเนี่ยเขาปัญญานุศารี เรียว่าศรัทธานุสลีเชื่อในทางปัญญาเชื่อในทางความเห็นเชื่อในทางในความเห็นชอบเรื่องวัตถิเรื่องวัฒนธารมนุสลีหรือปัญญานุสาลนคีคื อ, อคือเขานนเป็นแบบว่าลูก ป, ปู่นี่คือคือเชื่อในทางปัญญานะครับเชื่อว่าชื่่อวาใช้ปัญญาคิดมันจะต้องเป็นอยา่างนี้ใช่ไหมครับอืถูกแล้วคือมันจะต้องเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีก ที่ว่าพระบรมาสาร ส, สนเทศนั้นถ้มามจา ก, กรประวัตนาสูตรนั่นได้ยินจนถึงพมลโลก ค, คนตาบอดอาจได้เห็นคนหูหนวกอาจได้ยินหน้าตาที่ปิดก็เปิดที่จเป็นบุคลาธิฐานพระบรมาสา์สนเทศบอกว่าชาติปิทุก ข, ขาคำเดียวเท่านี้ถูกทั้งใจโลกธาตเลย ก็ใต้โลกธาตุเต็มไปด้วยชาติเป็นทุกข์เมื่อมีชาติอยู่ก็เป็นทุกข์ชาติเป็นทุกข์คำเดียวก็ถูกหมดทั้งใต้โลกธาตุแล้วกําปั้นตีดินอยู่ที่ประเทศของเราเนี่จะเข้าใจว่ามันถูกเมืองอเมริกาไหมมันก็ถูกไปหมดครับถ้ามีจะมีมหาสมุทรขั้นอยู่ก็ตามใต้มหาสมุทรไปก็เป็นดินครับทีนี้อ่ะ หลวงปู่จะนับเป็ดหินเม็ดทรายได้จะเชื่อไหมคือหลวงปู่บอกไปแล<ำ>้วใช่ครับผมโอผไม่เชื่อฮะแต่นั่นเป็นคอมพิวเตอร์นับผมเชื่ออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยครับโ น, น, บห น, หน ด, ดาหลวงปู่จะนับเม็ดหินเม็ดทรายในช่องมหาสมุทรไทยดูจะนับเม็ด เม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดหนเม็ดทรายเนอะเอกปฏวีธาตุนับลงเป็นหนึ่งคือใายคุณปู่ก็แล้วอ่าทรายก็เป็ น, ห, ห, นหนึ่งใช่ไหมครับหนึ่งทรายเท่านั้นหนึ่งทรายหรือหนึ่งธาตุดินสิ่งที่เป็นของแข็งสิ่งที่เป็นของของเหลวที่นี่หนึ่งน้ำแล้วปู่นับอย่างนี้จะถูกไหมนี่ ถูกครับตะกี้ถูกฮะถูกครับนับในปัจจุบันลมพัดอยู่ที่ไหนก็ตามห<น>ลวูปป่ ก, ก็นับลงว่าหนึ่งลมเท่านั้นครับไฟจะมีความอบอุ่นอยู่ที่ไหนก็ตามหนึ่งไฟเท่าน<ม>ั้นนับเป็นทางย่น<อ>ไม่ใช่ขยายครับครัพย์ทุกย่นลงมาถึงเอ ก, กทุกในปัจจุบันทัพย์โลกย่นลงมาถึงเอ ก, กโลกในปัจจุบัน พระบรมศาสดามาใช้เทศขยายนา่เดียวเชือกเส้นเดียวนั่นเนี่ยพ